อันนี้ทอดกะถินทอดกะถินมันก็ดีเป็นการทำทานปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทำได้ครั้งหนึ่งอะไรที่ทำยากต้องใช้ความตั้งใจมากถือว่าได้บุญมาก ของทำง่ายไม่ต้องใช้ความขวนขวายพยายามมากกำลังของใจมันก็ไม่ต้องเข้มแข็งมากมันก็เป็นบุญที่ไม่โตเท่าไหร่บุญอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามีเจตนาที่เด็ดเดียวในการทำ เราก ป, ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่อันนี้ในฝ่ายผู้กระทาในฝ่ายผู้รับผลของทานทำทานกับส่งที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ได้บุญใหญ่ส่งฆ์แท้ๆยุคนี้หายาก ทางวัดจะรวมกันมีพระอริยะไปรับกรินได้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนยุคของเร า, าเราก็ตั้งใจว่าเราทำทานทำทอดกรถินทำทานอะไรเนี้ยวางใจว่าเราถวายต่อสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทำใจไปอย่างนั้นไปเจอสงสารชีสงอะไรเป็นกรรมของเขาตอนใจของเราสะอาดเรามุ่งต่อสงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบุญใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินขึ้นอยู่กับที่เจตนาตอนหลวงพ่อเด็กๆ ตั้แต่เล็กๆเลยผู้ใหญ่อุ้มไปฟังเทศเกิดมาไม่กี่เดือนได้เวลาเข้าพรรษาผู้ใหญ่พาไปฟังเทศฟังไม่รู้เรื่องหรอกพาไปนอนนอนซึมซับฟังธรรมจนโตขึ้นมาเริ่มบิ่งได้เองก็เลือกฟัง ถ้า ต, ตอนมีนิทานเนี่ยก็จะมาฟังล้ว ต, ตอนพระเทศธรรมะมไกกะไปวิ่งเล่นผู้ใหญ่ไม่ว่าแค่พาเราไปให้คุ้นเคยกับวัดใจมันจะคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระเคยฟังนิทานที่พระรุ่นหนูนานนักหนาหลายสิบปีก่อนนะหกสิบกว่าปีก่อนเคยเล่า ว่ามีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระไมเฮสีตายสวรรคนะ์โคตก็ทำบุญมากมายให้พระไมเฮสีทำบุญเสร็จแล้วก็ไปถามพระว่าไมเฮสีได้บุญเยอะไหมบอกได้ไม่เยอะได้บุญน้อยน้อยเพราะเวลาพระเจ้าแผ่นดินนี้ทำบุญนะเกณฑ์ วันนี้ให้เหมือง น, นี้เป็นเจ้าภาพวันนี้เมือง น, นี้เป็นเจ้าภาพอะไรเงิเนเข้ามาเงินทองที่เอามาทำบุญก็ไปเก็บภาษีเข้ามาไม่มีน้ำพักน้ำแรงได้บุญน้อยพระมเหสียังไม่ขึ้นสวรรค์เลยพระเจ้าแผ่นั้นก็เลยปลอมตัว ไปเป็นคนแจวเหลือจ้างได้เงินมาไม่กี่เฟื้องอเอาไปทำบุญพรามาอุ่นได้บุญเยอะเลยไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจจริงๆอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเงินเราบางคนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราสามารถทำบุญได้ คนจนๆไม่มีโอกาสทําไงอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือยินดีที่เขาทําความดีถ้าเรายินดีที่เขาทําความดีเราก็ได้บุญนะแล้วก็ในส่วนของคนทําดีถ้าทําแล้วใจกว้างก็ได้บุญเยอะเป็นบุญซ้อนเข้าไปอีกอย่างเราทําความดีอะไรมาเราก็ไปบอก คนซึ่งเราคิดว่าถ้าเขารู้แล้วเขาจะยินดีเราก็ไปบอกเขาให้อนุโมทนาบุญนะาเงี้ยเขายินดีเขาก็ได้บุญด้วยเราเป็นคนบอกเราก็ได้ด้วยบางคนทำบุญแล้วใจแคบไม่อยากบอกคนอื่นกลัวบุญจะถูกแบ่งบุญไม่ได้กระพรองกระแพงอาาานาถาแบบนั้น เวลาเราทำบุญนะมันเหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแล้วเราบอกให้คนอนุโมทนาเนหะมือนเขาต่อเทียนนะเอาเทียนมาต่อไฟจากเราแสงสว่างในภาพรวมมันเพิ่มขึ้นเป้นบุญพลังของบุญเนะี่ยมันแรงขึ้นถ้าเราทีแรกแนแสงของเราริบหรี่ริบหรี่เราก็ชื่นใจดีกว่าไม่มีแสงเลยคราวนี้แหวสว่างทัคนมีเทียนคนละเล่ม ใจเราเบิกบานนึกถึงภาพที่สนามหลวงวันเฉลิมแต่ก่อนนะจุดเทียนทุกคนมีเทียนคนละเล่มดูเราวน่าเบิกบานถ้าอยู่กลางสนามหลวงเราตือเทียนของเราอยู่คนเดียวนะดูว้าวเวนะนเวลาทำบุญนะอย่าใจแคบทำบุญบอกคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าเรารู้จักนะการทำบุญมันมีได้ตั้งสิบอย่างอย่างเราไม่มีเงินไม่มีอะไรเรามาช่วยเขาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ที่นี่ก็เป็นบุญแล้วเป็นวิญญาณวิจิตรไเป็นบุญเป็นบุญมีเยอะแยะไปหมดถ้ารู้จักหาก็มีอยู่ทั่วๆไป ถ้าไม่รู้จักหานะก็าะหาบาปได้ทั่วๆไปเหมือนกันบาปมีอยู่ทั่วไปบุญหนึ่นำความสุขมาให้คนที่มีบุญมีความสุขเป็นชื่อของความสุขมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าบุญคือกุศลกุศลเป็นความฉลาดถ้าจะมีกุศลนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศีล เราไม่ไม่ทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นมีเมตตาเป็นกุศลซื่อสัตย์สุจริตไม่รักขโมยคนอื่นอย่างงี้คือตัวกุศลมันอยู่ที่อาโลพาไม่โลภอาโทสะไม่โกรธอาโมหะไม่หลงอันนั้นเป็นตัวกุศลเป็นกุศลเนี่ย ทีเป็นตัวสู้กบกิเลสได้ไม่โลภไม่เอาของคนอื่นไม่โกรธ ถ, ถ้าโกรธก็ไม่ถึงขนาดไปทำลายคนอื่นพยายามลดละความโลภความโกรธความหลงเรื่องหลงนะลึกซึ้งซับซ้อนความหลงกว่าจะหายหลงยาก อยากมากๆเลยพระอนาคามียังมีหลงเลยยัมีความหลงอยู่ยังมีกิเลสตระกูลโมหะมีอวิชชายอยู่ยังมีความโลภมีมาณะมีรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะาตระกูลโลภตระกูลโทสะไม่มีนะ ลาละนี่พระนาคามียั ง, ง ม, มีโลคมีหลงกว่าใจของเราจะเข้าถึงกุศลที่ถึงพร้อมที่พระเจ้ามาทากุศลให้ถึงพร้อมคนที้ทํากุศลถึงพร้อมได้ต้องเป็นพระอรหันต์ยันแต่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องศึกษาต้องปฏิบัติต่อไปโยเฉพาะตัวหลงต้องค่อยๆล้างความหลงผิดนานาชนิดไป ความหลงบางอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิความหลงบางอย่างไม่ถึงขนาดมิจฉาทิฏฐิความหลงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังหลงว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญตัเนี้ตัวเรามีจริงๆพวกตายแล้วเกิดเนี่ยมันเกิดจากกัน ทีนั่งสมาธิแล้เราลึกชาติได้ว่ไหมชาติก่อนเป็นอย่างนี้ชาติก่อนเป็นอย่างนี้หรือไปเห็นว่าคนหนึ่งตายแล้วไปเกิดอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดค่ดว่าจิตดวงเดิมไปเกิดมองไม่ออกว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาบางพวกก็เป็นมีจิจฉาทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาเองเกิดลอยๆยไม่มีเหตุหปัจจัยอะไรเกิดขึ้นลอยลอย พวนี้ชาติก่อนเนะี่ยบทีเป็นพรหมลูกฝักพรหมลูกฟักไม่มีจิตมีแต่ร่างกายพอมาชาตินี้ระลึกชาติได้ชาติก่อนไม่มีก่อนไม่มีจิตชาติเนี้ยมีจิตจิตเกิดขึ้นไม่มีเหตุมีผลอะไรเกิดได้เองนี่ก็เป็นมีชาติทิฏฐิส่วนใหญ่มันเกิดจากขัน้นระลึกชาติไปแล้วก็เอามาบอกต่อ คนลุกก็เชื่ อ, อาตามๆกันไปอย่างเรื่องแบ่งภาคเรื่องอะไรมาเกิดอันนี้ไม่มีในศาสนาพุทธพวกฤษีชีไพรนี่ระลึกไปเมื่อก่อนเคยอยู่กับพรมบรมพรมพรมชั้นสูงๆตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเกิดด้วยกันเป็นพรมด้วยกันแล้วตัวเองหลุดออกมา ที่จริงก็คือหัดทาชา้นเ้วตายในชา้นไปเกิดเป็นพลอมแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่พอตายจากพลอมลงมาก็เมื่อก่อนเราอยู่ในพลอมโลกรวมอยู่กับพลมทั้งหลายถ้าระลึกไปนึกว่าตัวเองแบ่งภาคลงมาก็มีนะแบ่งภาคลงมาเกิด ไม่ชัดที่ตีมีเยอะมีหลากหลายจิตมันไม่ใช่อามีบาเรื่อจากตัวอามีบาเซ <c oughs> ลเดียวนะแตกออกเป็นสองตัวได้จิตไม่มีจิตไม่แตกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทันทีเลยนะไม่มีแบ่งออกมาแต่อาศัยการระลึกระลึกไปเคยรวมอยู่กับพลมแ ล, ล้วดดออกมาเลยคิดว่า ตัวเองกับพรหมเนี่ยอันเดียวกันแล้วแยกออกมาแบ่งแบ่งผ้งาออกมาสร้างบารมีจริงก็คือมีบากของฌานที่ทำไว้มันหมดเงินตกออกมาเวียนออกมาเกิดอีกพวกเทวดาพวกพรหมอะไรพวกนี้นะเขาอายุสัน้นแล้วอย่างทัศนาเนี่ยไม่ทะลุแบบพระพุทธเจ้ามองไปไม่ไม่มี พุทธเจ้าระลึกไปได้ไกลแสนไกลจึงจะรู้เหตุรู้ผลได้ดีอย่างถ้าระลึกได้ชาติสองชาติไปเนี่ยจะหลงผิดได้ยัาชาติก่อนเป็นผู้ไร้ฆ่าคนแยะๆในชาตินี้เกิดมาดีอะไรก็คิดว่าการทำบาปไม่มีผลอะไรที่จริงกุศลที่ก่อนหน้านั้นมันให้ผลมา อย่างพระพุทธเจ้าเราท่านระลึกได้ยาวท่านดูเหตุดูผลเรื่องเรื่องของกรรมเป็นเรื่องอาจินไปเป็นระดับพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ได้จริงคนอื่นรู้ได้ไม่จริงเคยได้ยินเรื่องพระกาพรหมไหยพระกาพรมเนี่ยอายุยืนพระพรมเนี่ยีเกิดมาเนะี่ยเห็นโลกนี่ว่างเปล่าไม่มีสัตว์อื่นมาเกิดเลย แล้วเสร็จแล้วมันเริ่มมีวิญญาณมีจิตมันเกิดเกิดเกิดเกิดก็คิดว่าพวกนี้เกิดที่หลังเราเราเป็นสยมภูเราเกิดเองนี่ก <c oughs> ็เกิดความเห็นผิดส่วนใหญ่เกิดที่พวกมชาตาทิฏฐิทั้งหลายนะมันจะมาจากพวกพวกระลึกชาติไประลึกได้ไม่เต็มภูมิมันก็เข้าใจผิด พวกเราไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ตลอดคนที่จะรู้ได้ตลอดก็มีแต่พระพุทธเจ้าพวกเราบางทีเกาอุตรินะที่เราคิดเอาด้วยลอจิกด้วยดวยตรร ก, กะอย่างเรานับถือเรื่องสมเด็จองค์ปฐมได้ยินชื่อไหมสมเด็จองค์ปฐมไม่ใช่พระปฐมเจดีนะเป็นหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกน รู้ชื่อด้วยนะชื่อพระสิขีอะไรเงี้ยขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังบอกท่านระลึกไปเนี่ยตั้งนานมากเลยนะรละลึกทะลุไปขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังหาเงืนต้นนะไม่เจอนะเงืนปลายนะตามไปก็ไม่สิ้นสุดนะของเรามันเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะรู้หมดเลยนะรู้อย่างนี้เรียกว่ามโนมโนนะ <laughs> เรารู้ไม่ได้เราต้องฟังพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่เดิมเราเป็นผู้ทุชนนศะรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แน่นแฟนจริงศรัทธาเราจะคลอนแกลนตอนไหนคำสอนของท่านสอดกลองกับกิเลสของเราหมายถึงเราฉวยโอกาสได้ประโยชน์จากคำสอนท่านเอา นับถือตอนไหนคำสอนท่า น, นขัดกับกิเลสของเรา้นไม่ไหวไม่นับถือแล้วนับถือเป็นวันๆ น, นับถือตามสถานการณ์เร้ยปรับตัวเก่งนะพวกเรารู้สึกไหมบางวันเราว่านับถือพระพุทธเจ้ามากบางวันก็นับถือน้อยบางวันเฉยๆ อ, อุบเบกขาเนะื่ย <c oughs> ใ, ใจเป็นอย่างนี้ถ้าเราพอวนาเราเห็นผลของการปฏิบัติ แต่เติมรอจหลังเลเพราะพระุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักปลากช่วยกันแต่งคาผีขึ้นมาสงสัยไหมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็น่าสงสัยนะถ้าไม่สงสัยก็คือน้อมใจเชื่อเรายังไม่รู้จริงแต่วันใดที่เราภาวนาไปเรื่อยนะใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเราได้มักได้ผลขึ้นมา เราใจเราเห็นพระสงค์ขึ้นมาเราจะรู้ว่าพระธรรมนี่ของจริงพระธรรมนี้เป็นของจริงเงินพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดพระธรรมก็เป็นของจริงแต่พระโสดาสกตาคาพระอนาคานี่ยังไม่แจ้งกับพระพุทธเจ้ายังไม่แจ้งถ้าภาอนาถึงที่สุดแล้วก็รู้ว่าพระสงค์มีจริงพระตัวเองเป็นพระสง์แล้วทั้งที่ไม่ได ใส่จีวอนี่แหละคาวาส น, นี่แหละก็เป็นพระอรหันต์ได้พระสงฆ์มีจริงธรรมะที่ทำให้เป็นพระสงฆ์ทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นนี่มีจริงพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านั้นจิตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยรวมเข้าด้วยกันทันทีเลยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกัน น, นั้นจะไม่สงสัยเะยพระเจ้าเจ้ามีจริงๆวันนี้เทศแปลกเทศเอาใจตลาดนะ <c oughs> มียานโมที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเยอะอยู่ธรรม็มออกไปทำมาโลกๆหน่อย อันนี้เป็นธรรมะโลกโลกนะเห็นไหมเรื่องเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องอะไรองนี้โลกโลกเอาไว้วันไหนสนใจตั้งอกตั้งใจจะภาวนากันจริงๆแล้ ว, วฟังธรรมะพ้นโลกธรรมะพ้นโลกก็ไม่มีอะไรมีศีลสมาธิปัญญานี่แหละธรรมะพ้นโลกธรรมะอยู่กับโลกยังมีความสุขก็มีบุญ ทำบุญไปกุศลเจริญไปสะสมไปเท่าที่ทำได้มีทานมีศีลมีสมาธิสะสมไปส่วนจะข้ามภพข้ามชาติจริงต้องจเจริญปัญญาปัญญาก็คือตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกจะพ้นจากโลก ถ้ารู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกยังไม่พ้นจากโลกยิ่งครูบาอาจารย์เนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยนะในการต่อสู้กับความไม่รู้ของพวกเรานะลําบากลาบากมากสู้กับความไม่รู้ของบางคนเนี่ยมันตื้อมากเราร้ายบางคนร้ายนะอย่างสอนอะไรให้นะั่นโกรธมีนะโกรธเลยสอนกรรมฐานให้นะั่นโกรธ แต่หลังๆหลว ง, ลงพ่อก็แย่งกลัวมนกันสอนในบางทีต้องสอนออมๆไหมรอเขาเติบโตอินทรีย์เ ก, กล้าแล้วค่อยสอนธรรมะที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้สิ่งที่พราเราควรทำนะก็คืองดเว้นการทำบาปทั้งปวงต้องงดเว้นนะทำบาป มันาจจะสนุกสนานในขณะนี้แต่ผลเป็นทุกข์แน่นอนอย่างกระทั่งการลังแก่สัตว์เราขนองเราลังแก่สัตว์แกล้งสัตว์เล็กๆน้อยๆอยางเอาเข้าให้แมวกินหรือให้หมากินพอเขากินได้คำหนึ่งกันดึงออกแกล้งเล่นอย่างนี้บาปนะไม่ใช่ไม่บาปทำให้เขาได้รับความทุกข์ นึกไม่ถึงว่าบาปสนุกหลวงพ่อตอนเด็ก เ, กเคยทำบาปทีหนึ่งตอนนั้นเด็กเล็ ก, ลกขนาดนี้ขนาดทวนแถวที่สองนี่เล็กๆโ<ม>ชว์ตัวไหนได้ไหม <c ười> <c ười> ตัวกระจิ๋วเดี๋ยวนายยื่นโชว์หน่อใไ่ไหมเด็กๆนี่กล้าหาญ วันนี้ตกว่าหลวงพ่อตอนนั้นนั่งหลวงตอนนั้นเล็กๆนเห็นข้างข่าวมั น, มนบินอยู่ที่ระเบียงบ้านบิ น, บนเรยวมากมันมากินต้นตะขบกินลูกตะขบไม่ไม่กินต้นตะข บ, บ, บนะไม่กินลูกตะขบบินเรามันรู้สึกแม้มันไวอย่างระหว่างมันกับเราเนี่ยเราจะวัยทันมันไหม เอาไม้ไปดักตีไม่เคยถูกเปลี่ยนไปใช้ลวดสลิงนะรู้จักไหมเมืคร้ใส่ในผ้าม่านอุซาร์ไปแกะอามา่าออกมานะถ้าผู้ใหญ่รู้ก็โดนตีอีกลนะแกะ ม, ากม่านมกแป่งอย่างเงี้แกลงเพราะรู้สึกมันเร็วกว่าไม้นะนี่เป็นปัญญานะเป็นปัญญาทางชั่วผลิตอาวุธที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนะนะอาวุธไม้นะะี่แหมอย่างนี้มันช้าใช่ไหมอย่างนี้ หมายเร็วกว่ากันมากเลยเฟี้วเฟเฟียเฟก็ไม่โดนมันเพราะมันมาตนะ้องเวี่ยงไม่ถูกมันก็พัฒนาต่อไปมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมองมพัฒนาต่อไปมันเร็วไปเราต้องดักหน้ามันตีดักหน้ามันเห็นมันมาต้องโ น, นตีเลยปุ๊บลงกลางหลังมันมันตกลงไปอยู่ที่พื้นนั่งขยับหูใจเราเนี่ย ใจนี้สะเทือนอย่างแรงเลยสงสารมากเลยไม่ไม่คิดว่าเขาจะเจ็บตอนอยังเล็กๆคิดอย่างเดียวอยากรู้ว่าเราก็มันใครเจริญกว่ากันนะแค่นั้นเองพอมันเจ็บนะใจเนี่้วั่นไหวมากเลยสงสารแทบจะร้องไห้เลยสักพักหนึ่งมันก็บินไปนก็ดีใจมันบินไปแล้วแล้วก็ลืมไปลืมเรื่องนี้ไปนาน ผ่านมาหลายสิบปีนะยี่สิบสามสิบปีภาวนาอยู่นั่งสมาธิภาวนาไปจิตรวมสบายเลยนะมีความสุขตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกอายุสามสิบหน่อยๆจิตกองเราสงบสบายนะั้นได้ยินเสียงแซ่ฟาดผ่านอากาศเฟิวมาเนี่ยกระทบกลางหลังเราเนะี่ย สถานทั้งตัวเลยนะใจสั่นริกๆแทบขาดใจเลยนะแล้วก็เห็นภาพขังข่าวตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าขยับปี่พอเราเห็นแนละ้วเราดีใจเลยนะดีใจเราได้ใช้ใช้นี่แล้วนี่ต้องใช้มีนี่ต้องใช้นะเงินเล็กๆน้อยๆก็อย่าทำยังไงก็ต้องใช้ กุศลทำไว้อกุศลไม่ทำละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมไปแล้วก็ฝึกจิตของเราไปให้เข้าสู่ความสะอาดหมดจดขัดเกลาจิตใจไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาค่อยๆขัดเกลาชีวิตเราเค่อยๆร่มเย็นเป็นสุขนะชีวิตที่มีธรรมะมันร่มเย็นเป็นสุขมนไม่ ร, ร้อน คนในโลกไม่มีความสุขน่าสงสารเศรษฐีก็ไม่มีความสุขทำยังไงก็ไม่มีความสุขหรอกยังมีเงินมากๆบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงชุดหนึ่งก็เอียนอย่างกินอาหารมากๆ ม, มีอาหารให้เลือกมากใครจะมีอาหารให้เลือกมากเท่าพระตามวัด ม, <laughs> มีอาหารให้เลือก ทุกวันเมนูเหมือนกันหมดเลยเพราะอาหารมันก็มีอยู่แค่นี้แหละกินทุกวันเหมือนๆกันนะมันก็เฉยๆแล้วไม่ตื่นเต้นถ้าเราโอ้เราจนเราไม่เคยมีอะไรจะกินนะเราได้กินมามากเราก็ดีใจมากแล้วกินมามาทุกวันกินทุกวันเลยแต่ถ้าเกิดจนตายเนฉะยๆกินนัองเฉยๆจำใจต้องกิน เราก็สะสมของเรานะสะสมบุญบารมีของเราไปอยู่ในโลกไม่มีความสุขที่แท้จริงมีเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านอย่างเรือบินตกเลยใช่ไหมคนที่เรือบินตกนะีได้ข่าวว่าห้อยสมเด็จวัลคังด้วยห้อยพระรอดมหาวันลำฟูน มีล็อกเก็ตหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกวด้วยเนี่ยมีพระสุดยอดทั้งนั้นเลยทำไมเนปินตกพระสุดยอดเยงนั้นไม่มีอะไรเกินกรรมไปได้หรอกไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวกาหนดชีวิตเรากรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเรากรรมที่ดีนะกรรมที่เลวเป็นตัวเบียดเบียนเรา เ น, นความชั่วต้องไม่ทำความดีต้องขยันทำทำเท่าที่ทำได้อย่าทำจนกระทั่งเกิดกิเลสทำบุญจนเกิดกิเลสก็มีนะทาบุญขายบ้านให้ทำบุญอะไรเงี้ยเสร็จแล้วจิตเศร้ามองทีหลังไม่มีบ้านจะอยู่อย่างนี้บุญพิการนะบุญกับพร่องกัแเล่งการทำบุญที่ดีนะก่อนทำมีความสุข ระหว่างทำมีความสุขทําแล้วนึกถึงคราวใดก็มีความสุขอย่างเนี้บุญของเราเต็มสมบูรณ์ก่อนทามีความสุขอยากทํามีศรัทธาขห้นมาระหว่างทำเรียกพรรคพวกช่วยไล่สดด้วยต้องโชว์ให้ควรเห็นทั่วโลกเนี่ยเจือเริ่มเจือกิเลส น, นะ้วระหว่างทำเริ่มกระพร่องกรนะแสแน้ะค่อยมองว่าเขาจะถ่ายรูปเปล่า แต่ว่าขณะนั้นมีความสุขไหมอยากให้เข้าถ่ายรูปขณะนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์เนี่ยระหว่างทําบุญมีโคดหมาอย่างมาเขามองเราเปล่าเขายังไม่มองก็ถ่ายรูปถ่ายไปก่อนเดี๋ยวเอาไปลงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวนี้เขาไปลงเน็ตไม่เสียตังค์นี่บุญพีิกกลับหรือบางคนระหว่างทําก็ปลื้ม ก่อนทําก็เลื้มทําเสร็จแล้วเกิดไม่ปลื้มขึ้นมาเกิดไม่ปลื้มนี่บุญตกเลยบุญเดี๋ยวกัลรองกับแพล่แต่ถ้านึกถึงโอ้เคยเป็นทอดกระิ่ น, นะใจปรับเลื้มมีสุขติเป็นที่ไปอย่า ง, งนีสะสมบุญบา ร, รมีเงินบุญที่ดีนะก่อนทํามีศรัท ธ, ธามีความสุขระหว่างทําก็มีศรัท ธ, ธามีความสุข ทำเสร็จแล้วก็ยังมีศรัทธามีความสุขอยู่ถ้าทําแล้วมีความทุกข์ทีหลังจะไปทําอะไรบุญอย่างนั้นบุญพิการไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะในคำภีรเราบอกไว้เลยถ้าบุญที่ไม่สมบูรณ์ในสามการเนี่ยเป็นบุญที่ไม่ดีกําลังอ่อนถ้าเวลาเราไปเกิดเนี่ยเกิดด้วยกำลังของบุญตัวนี้เมื่ อ, อไหร่เราจะได้เป็นคนพิการเป็นมนุษย์นะ่ะเพราะาเราไปด้วยกําลังบุญ แต่เป็นมนุษย์ที่พิการไม่เต็มร้อยถ้าทําบุญแล้วสดชื่นในสามการเป็นกุศลในสามการก็จะได้เป็นมนุษย์เต็มร้อยโดยเฉพาะถ้าเราทําอะไรด้วยสติปัญญาทําทุกอย่างด้วยสติปัญญารู้จากลดลากิเลสไปเรื่อยอันนี้เป็นบุญที่สูงสุดเลยเวลาเราตายแล้วบุญตัวนี้ให้ผลเราิดเกิดเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดด้วยเหตุสามประการ อโลภะอโทสะอโมหะตัวนีสําคัญมากคนที่เกิดมาด้วยอโมหานี่ยจะทําฌานได้แล้วทําำมรรคผลได้ถ้าเกิดด้วยเหตุสองอารมพอะอโทสานนี่ทําฌานไม่ได้ทําไม่ถึงทําบุญทําอะไรอย่างนี้ธรรมดาได้แต่เราไม่ได้มีฟลุกนะการที่เรา สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีบุญหนุนหลังให้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งฟังธรรมทําไมไม่ไปนั่งในวัดที่ทอดกรถินแล้วมีดนตรีลูกทุ่งมีลิเกมหาหระศพ ส, สมโพธิทาไมมานั่งอยู่ตรงนี้มันต้องมีบุญจัดสรรมามีกรรมที่ดีจัดสรรมาในพวกเราที่เกิดมาไม่ได้บ้าใบบอดห น, นวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เราไม่ได้เกิดด้วยกำลังของบุญที่กระพร่องกระเพล่งเราเกิดด้วยบุญที่เต็มตอนก่อนทมเราเนี่ยมีกุศลระหว่างทำจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขทำแล้วจิตใจก็ยังมีความสุขเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่พี่คนพิการ ในบางคนทั้งๆ ท, ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไหมพิคนณพิการนะมีปัญญาในทางธรรมบางคนไม่มีปัญญาในทางธรรมอยู่ที่ว่ากุศลตัวไหนส่งให้เรามาเกิดถ้าเป็นกุศลที่เราทําแล้วประกอบด้วยปัญญาส่งให้มาเกิดนะเราก็ยังได้ปัญญาเกิดด้วยเหตุสามอโลพาโทสาโมหะถ้า เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาส่งให้เรามาเกิดแต่เราชื่นใจทั้งสามกาเนี่ยชื่นใจแบบอีเดียดหน่อยนะก็ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แต่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยน้อย น, ะนั่นไงเราต้องฝึกตัวเองเวลาเราทำกุญงามความดีใดต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอมันจะได้มีกำลังส่งเรา จิตเราคุ้นเคยกับปัญญาเวลาเราจะตายนันจะตายไปด้วยความเคยชินได้บุญเคยชินกับการที่เจริญปัญญารู้ความจริงของกายของใจมีสติมีปัญญาเรื่อยๆนะเวลาไปเกิดเยความเคยชินที่จิตมีปัญญาให้ผลขึ้นมาให้ผลขึ้นมาเราไปเกิดใหม่ปัญญาของเรามี ฟังทํางานนิดเดียวคลิกเลยเข้าใจเงั้นหะลวงพ่อนะจะเข้มงวดกับพวกเราเรื่องสมาธิต้องถูกหลวงพ่อเข้มงวดมากเรื่องสมาธนะิแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาสมาธิซื่อบือไม่เอางั้นรู้กายรู้ใจไปดูไปอย่างเราจะทําทานจะรักษาศีลอะไรนี่ต้องมีปัญญาประกอบ ทำทานก็เพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อเอารักษาศีลก็เพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อความดีความเด่นหนือเพื่อจะไปขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าฝ่ายต่ำทําบุญแนละ้วหวังขึ้นสวรรค์นี่ไฟต่ำนะเพราะว่าควรจะหวังนิพพานไม่ใช่หวังสวรรค์จะนิพพานอยากได้นิพพานก็ยังไยไม่สูงเท่าไหร่ต้องมุ่งไปที่การลดละกิเลส งั้นถ้าอะไรที่แฝงด้วยกิเลสนะเจือกิเลสหรือสนองกิเลสเนะี่ยอย่าไปเอามันอย่างถ้าเราระลึกชาติไปเราเคยใหญ่เคยโตนะมันสนองกิเลสนะอย่าไปสนใจมันปัจจุบันดีที่สุดเออระลึกชาติเคยเป็นช้างเอลาวันใหญ่ไหมใหญ่เป็นช้างเอราวันตัวใหญ่ระลึกชาติไปงั้นกูใหญ่ ตอนนี้แม่ใหญ่เท่าชางเองเราวัณตอนเล็กงั้นใหญ่นี้มันเจือกิเลสอะไรที่เจือกิเลสพยายามล่าออกล่าออกล่าออกไปใจเราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เร็วแล้วเวลาเราไปช่วยเหลือคนอื่นไปสง่งเคราะห์คนอื่นไปสอนคนอื่นอะไรเนี้ยมันจะทำด้วยความบริสุทธิ์มันจะไม่มีเราซ่อนอยู่เนี่ยบุญของเราจะเต็ม เต็มเร็วถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เร็วไปกินข้าวไหมกินข้าวด้วยความบริสุทธิ์นะคือกินข้าวโดยการมีปัญญารู้ว่าเราต้องกินข้าวเพื่อลดความทุกข์จากความหิวโหวยเห็นไหมมีเหตุผลไม่ใช่กินเอามันกินเอาสนุกนะอย่นีกินเอากิเลสเมื่อกี้จิงจกล้องเลย มีคนหนึ่งก็บอกหลวงพ่อว่าถ้าจริงจกร้องนแสดงว่าหลวงพ่อทวดมามันแปลกนะแลยอาเชิญไปกินข้าว